ท่านฟังที่ครบคะ่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะเราก็ผ่านปีใหม่เข้ามาครึ่งเดือนแล้วนะคะเนี่ยเราย่างเข้ามาสู่กลางเดือนมกราคมแล้วก็รายการนี้เราถือว่าธรรมะของเราเนี่ยทันสมัยทุกวั น, นยไม่ต้องมีการปรับอะไรเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทันสมัยอยู่มาได้ตั้งสองพันหกร้อยปีนับตั้งแต่ที่ตรัสรู้มาแล้วนะคะ เราก็มาพบกับการที่จะฟังคำตอบต่อคำถามต่างๆด้วยการนำคำสอนของพระาศาสดา ห, หรือว่าพุทธวจะนะมาตอบโดยพระอาจารย์ที่อยู่ในคณะที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ศึกษาด้วยปฏิบัติ ด, ด้วยก็คือพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนายโซอุดรธานีนะคะนุอมสักการนะทั้นคะเชิญปอนคอสปฏิบัติธรรมท่าน เสร็จไปแล้วถูกมชัชาเดือนนี้ใช่ของเดือนมกราคมก็เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่สิบห้าค่ะในสําสหรับครั้งนี้ ก, อา ก, าก็อากาศก็เย็นอากาศก็เย็นในช่วงประมาณธันวามกรากุมภาพวกเนี้ยก็อากาศจะเย็นแต่ว่าก็ก็ดีตมาว่าอากาศเย็นก็เป็นสปายะสาหรับตัวตัวเราเองค่ะอ แล้วก็ในการหลีกเรนนี่พระพุทธเจาก็ให้ทำอยู่เป็นประจำเพราะนั้นเราก็จะมีทุกๆเดือนบางคนช่วงปลายปีว่างใช่ไหมเ<ช>ขาก็จะมาบางชนปลายปีไม่ว่างช่วงปิดเทอมมากเขาจะมาปิดเทอมอย่างนี้ค่ะก็เห็นคนเขาไปปฏิบัติกันเยอะนะคะอย่งกับเมื่อก่อนหน้าจะมาบันทึกเทปในวันนี้ได้พบกับ ครอบครัวครอบครัวหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนมีการศึกษาดีมีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็มีลูกห้าครัวเจ็ดครัวสองคนผู้หญิงผู้ชายนะคะเขาบอกว่าเนี่เพิ่งกลับจากไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งแล้วคุณพ่อก็บอกว่าลูกสองคนนี่เขาได้แต่ไหนดิฉันจําไม่ได้ว่าเขาใช้คําพูดว่าอะไรเหมือนก็นได้สภาวะธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้อ๋อมันก็ชี้ใ้เห็นอย่างหนึ่งว่าคนสมัยใหม่นะครับเพราะว่า คุณพ่อเนี่ยเป็นในแพทย์ใหญ่เลยอืมแล้วก็คุณแม่นี่ก็เป็นผู้ประกาศข่าวดังอย่า น, นี้ถูกะทีนี้อสนใจในวันหยุดอย่างเงี้ยแทนที่จะไปที่อื่นใช่ไหมคะมท่านก็ไปปฏิบัติธรรมกันแล้วก็พาลูกเล็กๆไปด้วยแปลว่าเด็กเล็กนี่ปฏิบัติธรรมได้ใช่ไหมคะโอได้แค่ว่าถ้าสมมติเด็กเล็กเนี่ยอยู่ที่บ้านนะเราแค่มีความที่เกือ้อเฟื้อเกือเก้อกูลกั น, กนเด็กเล็กเขาไม่เถียงพ่อแม่ นะปฏิบัติตามที่พ่อแม่สอนถ้าเราไม่ทำความช่วยอย่างเงี้ยแค่นั้นเด็กเล็กนั้นก็ถือว่ามีธรรมะแล้ว ค, ค, คือคปฏิบัติทําตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ว่าต้องเป็นรูปแบบมานั่งขวางอีกข้องอหลับตาอยู่ตอนหน้าพระประธานอะไรงี้ไม่ใช่นะคือคธรรมะเนี่ยอยู่ทุกส่วนส่วนการปฏิบัติเป็นรูปแบบคุณอาจจะทําบ้างก็ได้หา ก, ก, ก, ก็ทำได้ก็ดีค่ะนะคือในกรณีที่เรนยกตัวอย่างเป็นลอยๆก็แล้วกันนะคะว่า อย่างกับเด็กกับผู้ใหญ่ไปปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันเนี่ยเยี่ยมพานปรากฏว่าเด็กเล็กเขาเหมือนกับได้สภาวะธรรมในขณะที่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่ได้อะไรเลย อ, อันเนี้ยเด็กได้ง่ายๆกว่าผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ที่เสียเวลาไปเจ็ดวันนั้นไม่ได้อะไรเลยจริงหรือเปล่าคะอันนี้มันก็ไม่แน่นะคือมันก็อยู่ที่ว่าความเป็นห่วงอินทรีย์ของแต่ละคนนะ่ะ คืออย่างบางทีพ่อแม่ไปพ่อแม่อาจจะเป็นห่วงแต่ลูกนี่ยังไม่มีความห่วงอะไรมากก็กสบายใจแต่บางทีพ่อแม่ถ้ามาคนเดียวอาจจะได้หรือบางทีพ่อแม่มันอยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคนคุณยมติยวว่าจะได้หรือจะไม่ได้อะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการทําที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรามีการทําที่ถูกต้องเนี่ยนะต่อให้หวังผลหรือไม่หวังผลก็ต้องได้ทีนี้ถ้าทําถูกต้อง คุณติว่าทำถูกต้องทุกอย่างเลยแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเอสงสัยเราไม่ได้อะไรอย่างนี้ยค่ะมันเป็นไปได้ไหมคะว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ทําถูกต้องตามาที่บอกคือถ้ามีความสงสัยนั่นก็จะเป็นลักษณะของเข้าขายของนิวรไม่ฉันทําถูกไม่ทํำไมฉันไม่เห็นได้อะไรเลยนั้นคุณไม่ได้แน่เพราะว่านั่นคือนิวรนิวร์เป็นเครื่องกลางกันคุณจะไม่ได้ออแต่ถ้าคุณมีความมั่นใจนะ ท, ที่ว่าจะว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่นิออินทรีย์ของเราไง นะ<า>หนึ่งคุ ณ, ค, ณคุณมีความมั่นใจไหมมั่นใจในคําสอนนี้ถูกต้องไหม เ, เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มั่นใจเลยว่าคําสอนเอ๊ะสงสัยฉันทาผิดนะฉันคงทําไม่ได้หรอกแค่คิดถึ่างนี้แสดงวคุณไม่มีความมั่นใจในธรรมะไม่มีความมั่นใจในสงเพราะว่าคนไหนก็ตามนะที่มาปฏิบัติตามธรรมะนะคุณจะต้องได้อันนี้คือคุณความมั่นใจในธรรมะความมั่นใจในสงสังขาไงอ๋อค่ะคําถามคนที่ฉันอาจจะกว้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ปรารภมาแล้วดิฉัน รับมากรับเปลี่ยนถามท่านเพระสงสัยด้วยตัวเองเนี่ยเขาอาจจะกินความแคบ แ, แค่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดเป็นขั้นนิวร์ก็ได้นะคะแต่อาจจะตีความไม่ออกว่าปฏิบัติไปแล้วได้อะไรหรือเปล่าทีนี้ว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยยังน้อยเขายังมีสติรู้ว่าตัวเองได้หรือเปล่าใช่ไหมแสดงว่าเขายังมีการฝึกสติ อ, อยู่ในระดับหนึ่งแล้วสรุปแล้วถ้าไปฝึกจริงๆถูกต้องเนี่ยมันต้องได้ใช่ไหมคะเออได้ใช่แต่จะชา้าหรือเร็วนะ เพราะนั้นในช่วงระยะเวลา7วันที่ผ่านมาอาจจะช้าหรือเร็วสำหรับแต่ละคนจะไม่เท่ากันด้วยคือคือประเด็นที่ต้องพูดตรงนี้คุณยมถิวคือว่าอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจให้ทำต่อไปสักวันหนึ่งมันต้องได้นะคะแล้วที่ได้เลือกวิธีที่จะใช้เวลาไปกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยฉันก็อนุโมทนานะคะและคิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็เลือกเลือกวิธี ในการที่จะใช้เวลาของชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้วถูกไหมยช่คุณยมเตียงคิดดูดีกว่าไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยวกินเหล้าเมาเบียหรือไปหาเที่ยวเสพกามอย่างอื่นใช่ไหมมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีมากกว่าอยู่แล้วค่ะบางทีนะคะท่านดิฉันก็ไปเห็นคนที่เคยทํางานเหนื่อยหนักอืมาวันหนึ่งประสิทธิภาพยังดีอยู่เลยนะคะอืแต่กติกาเขาไม่อํานวยซะแล้วให้เกษียณอายุไปเสีย Mm hmm. คนที่ยังแหมมีมลพลังใช่บางทีเขาก็เลยต้องไปหาอย่างอื่นทำ mm hmm. นะคะแล้วบางคนก็ข้าวเวลาไปหาไอ้นั่นเรียนไอ้นีเรีย น, น, ยน mm hmm. ไปเพื่อที่จะได้สงังสารกับเพื่อนฝูงก็ mm hmm. อาจจะเป็นการใช้เวลาที่ที่ดีแบบหนึง่งในในเรื่องนี้พระเจ้ามีความเห็นยังไงใ <c oughs> มีครั้งหนึ่ง <c oughs> ที่พระเจ้าพระเศรนิโคโสนคุณโยมติวตอนนั้นอายุแปดสิบปีละ แต่ว่ารู้สึกจะ 80- ดสหรือเจกว่ากนี่แหละนะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูจุบีบ ค, คือครองความเป็นใหญ่ทั่วโลกหมดแล้วนะคือตัวเองจบเสร็จกิจที่ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรละตีบ้านเมืองอะไรเรียบร้อยหมดล ะ, ะแล้วก็เลยมาถามพระเจ้าว่าตอนเนี้ต้องทําอะไรอีกไหมมีกิจอันใดที่ข้าพระองค์จะต้องกระทำเนี่ยทำได้แล้วพระเจ้าก็เปรียบเทียบกับว่าอาสมมติมีข้าราชการของพระองค์เนี่ยมาจากทางเหนือใต้ออกตกแต่แต่ละคนเนี่ย เขามาบอกหมดเลยว่าองค์นี้นะมีภูเขาหินศิลาเป็นหินทั้งแท่งคุณโยมติวใหญ่มากเลยใหญ่เกือบสูงเทียมฟ้าเนี่ยแล้วก็กลิ้งบทบวงสัตว์มานะบททุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามาจากทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นะพระองค์รีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งเถอะว่าอย่างนั้นค่ะพระเจ้าพระเศียรยิโกศนก็บอกว่าโอ้ยจะไปจะไปทำอะไรได้เพราะว่ามันบทเข้ามาขนาดนี้อะไรก็ทำไม่ได้งั้นฉันรีบพอนา ด, ดีกว่า รีบประพฤติชอบประพฤติรธรรมสร้างกุศลมาเป็นบุญพระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบว่าไอ้มหาภัยอันร้ายกาดนี้แหละคือความแก่ความตายจะครอบงําเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงควรต้องรีบประพฤติชอบประพฤติธรรมสร้างกุศลบาเป็นบุญพระเจ้าพระเศสนิสุขโศนก็เลยบอกว่าโอ้โหความแก่และความตายอย่างเงี้ยจะให้เราไปรบสู้ด้วยพลช้างพลมา้าพลรถพลโ ด, ดนเท้าหรือว่าใช้เมตมนในการสู้หรือเอาเงินยัดฝ่ายตรงข้ามให้เขาแตกหนีไปเนี่ย ก็ยังทําไม่ได้เลยนะถ้ามีความแก่ความตายครอบงําอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไห ร, เร่เนี่ยคุณอย่าประมาทไงอย่าเป็นคนลืมแก่คุณจอมติว๋วอย่าเป็น ค, คนลืมแก่ว่าเอ้ฉันยังไม่แก่หรอกฉันยังไม่ทําหรอกไม่ได้นี่คุณประมาทแตคือทำเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปหลับตาเข้าวัดแต่งชุดขาวไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่คือทําล่ิดล่นิดเลนิ ด, น ด, นดหน่อยๆเนี่ยดีมากแล้วค่ะเดี๋ยวฉันไปเจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะ <ambiente> เพิ่งทราบว่าท่านอายุ70กว่าเจอกันบ่อยมาก<ส evaluate>คิด<น>ว่าท่านอายุไม่น่าจะถึงขนาดนั้น <S <S <S <Thursday> คือไม่น่าจะเกินเลข60เศษอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอคุยกันไปคุยกันมาท่านก็นบอกว่าท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมานานมากแล้วแต่ยังเป็นคนที่เอ่อก็ใช้ชีวิตแต่งตัวสวยสดงดงามไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวนะคะอื <S <S 2> <S 2> ยังทาปากแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านมีกิจการเกี่ยวกับร้านอาหาร อเวลากลางคืนท่านก็ร้องเพลงนะคะก็เพลงเก่าๆที่ท่านชอบก็ดูเหมือนกับว่าท่านใช้ชีวิตปกติแต่ท่านก็จะบอกว่าเนี่ยวันนั้นทุกวันนั้นวันนี้จะต้องไปทําบุญออืนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยทําทุกวันใช่พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างคุณยมติวพูดถึงว่าฝนเนี่ยเวลามันตกลงบนภูเขาเนี่ยค่ะเอมันก็จะทําให้ซอกข้วหนองบึงอะไรนี่เต็มใช่ไหมพอซอกขั้วหนองบึงเต็มเนี่ย ถ้าฝนยังตกไม่หยุดนะเดี๋ยวบึงน้อยๆบึงใหญ่ๆเต็ม hm. บึงใหญ่ๆเต็มแล้วเดี๋ยวถ้าฝนยังตกไม่หยุดนะแม่น้ําน้อยๆเต็มแ hm. ม่น้ําน้อยๆเต็ม hm แล้วฝนยังตกไม่หยุดใช่ไหมแม่น้ําใหญ่ๆเต็มฝนยังตกไม่หยุดอีกนะมหาสมุทรก็เต็มได้เพราะเราทําวันละน้อยวันละน้อยฝนมันตกทีละกี่เมตรก็ทีละเมตรเท่านั้นเองทีละเมตรไม่ได้มากอะไรเลยมันก็ตกทุกวันทุกวันไม่หยุดอ่ะอย่างฝนตกที่หัดใหญ่คุณยมติวเมื่อช่วงปลายปีอะเนาะ 3ามสี่วันไม่หยุดโอ้โหน้ำท่วมเลยสงขลาลงนั้นเหมือนกันนะเขาก็ตกมาทีละเม็ดเราก็เต็มได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนูนอาจจะแบบฟังดูเหมือนกับว่านา้ำท่วมบางคนเลยรู้สึกว่า <c oughs> นฝนตกลงมาเรื่อยๆไม่หยุดนี่ไม่ดี <c oughs> แต่อุปมาของพูทเเจ้าเนี่ยแปลว่าดี <c oughs> ใช่ไหมคะอให้ทะเลเต็มได้ ว, ว่าทีละนิดทีละหน่อยอแต่ถ้าสม่าเสมอก็เต็มได้ใช่ไม่หยุดนะทาอยู่เรื่อยๆบ่อย เล็กน้อยอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยได้นิดๆหน่อยๆก็เอาอย่างเงี้ค่ะท่านคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาน่มันจะมีข่าวเกี่ยวกับมนุษย์ที่ทําทารุณกรรมกับสัตว์หรือตั้งท่าที่จะใจร้ายกับสัตว์ที่คนรักสัตว์หรือรักชีวิตก็รู้สึกมันทนไม่ได้รู้สึกมไม่สบายใจเช่นเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าอา่การฆ่าช้างเอางาเราก็ได้ยินแตแบบเนี้ยนะคะเรียนผ่ แต่ตอนหลังเนี่ยข่าวที่มันออกมาโอ้โหตัดทั้งมวงแงทั้งงา อ, อะไรก็แล้วแต่ดูทารุณมากแล้วก็เห็นบอกว่าผู้ต้องหานี่เป็นคนที่มีหน้าที่ในการที่จะดูแลป่าซะด้วยแต่เราก็เปิดช่องเอาไว้เพื่อความเป็นธรรมสาหรับเขาหน่อยนะคะไม่ได้ปักตามนผพูดตามข่าวทีนี้อีกข่าวหนึ่งทงั้งๆที่มันเคยเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นเรื่องอสแสลงใจคนรักสุนัขมากก็คือ เอาสุนัขไปขายให้คนกินนะนะคะ oh. ก็กลับปรากฏข่าวตามมาว่ามีสุนัขเป็นพันๆตัวแล้วที่จับได้มายังไม่ทันที่จะส่งไปขาย oh. ก็ใจโล่งใจกันว่าโอ้โ oh. หช่วยชีวิตสุนัขได้อีกเป็นจำนวนมากจึงอยากจะกลาบเรียนถามท่านว่าการเข็นฆ่ากั น, นมันก็เข็นฆ่ากันได้ตั้งแต่ชีวิตเล็กๆใช่กระทั่งช้างตัวเร่งเท่งอย่างนี้นะคะ <S <S ใช่ใช่ฆ่าช้างฆ่าคน ฆ่าสุนัขฆ่ายุงฆ่าแมลงสาบฆ่าจิ้งจรไงคะอื ม, มันบาปเท่ากันไหมคะเพราะแต่ละ<อ>สัตว์มันก็ชีวิตเหมือนกันออบาปไม่เท่ากันแนนะ่กรณีของความบาปหรือไม่บาปเนี่ยมันอยู่ที่หลายหลายปัจจัยปัจจัยที่เราจะเห็นได้ชัดๆก็คือว่าอันที่หนึ่งสัตว์นั้นมีคุณกับเรามากน้อยแค่ไหน น, นี้เราพิจารณาจากอะไรพุทธวัจนะที่พูดถึงว่าอนันตเริยกรรมใช่ไหมที่บาปหนักมากๆเลยนะคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าประหลาด แล้วก็ทำพระพุชธเให้หอเลือใช่ไหมซึ่งบุคคลพวกนี้เป็นบุญคุณมีบุญคุณกับเรามากแต่ถ้าเราทําบุคคลพวกนี้ก็โอ้โหหนักมากแล้วพวกที่พระพุทเจ้าเคยยกตัวอย่างของการที่ให้ทานกับไอ้พวกตัวเล็กตัวน้อยอะไรที่มันอยู่ในเศษน้ําต้มเนี่ยถ้าเราหวังว่าเขาจะได้กินอะไรเศษน้ำล้างจานเนี่ยก็จะเป็นทางหม า, างบุญใช่ไหมเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยพวกนั้นก็จะได้บาปเหมือนกันในะขึ้นในทางตรงกันข้าม เพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าสัตว์นั้นมีบุญคุณกับเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้ยที่หนึ่งนะอันที่สองอยู่ที่ว่าคุณทําบ่อยหรือทําทํามากแค่ไหนนะถ้าทําบ่อยๆนะทำอยู่เป็นประจําทําอยู่เป็นอาจินอันนี้ก็จะบาปหนักมากกว่าทําแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็อันที่สามก็อยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ยมีความอาฆาตขนาดไหนนะความอาฆาตอย่างสมมุติเราบี้ยุงนะบี้ยุงธรรมดาอ่าแบบว่าคือจงใจบี้นะแต่ว่าแบบบี้ด้วยความรําคาญนิดนึง แต่อีกคนหนึ่งนี่โหสรรหาอุปกรณ์มาอย่างเต็มที่นะมีทั้งเครื่องช็อตไฟฟ้ายุงเอายุงจับมาช็อตไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคืออย่างบางที่เรายกตัวอย่างเปรียบเทียบคนที่ฆ่าคนน่ะฆากรบางคนฆ่าคนเนี่ยไม่ใช่แค่ยิงป้องตายใช่ไหมเขายังข่มขืนฆ่าปาดเนื้อรักขโมยแล้วก็ทําอะไรไม่ดีทั้งหมดแล้วก็ค่อยฆ่าอย่างเงี้ยนี่แสดงถึงความที่อาฆาตเขามากนะประเภทนี้ก็จะบาปมากกว่าอ่าก็จะมีอย่างน้อย3าอ่าสปัจจัยละสตัวแปรละ ตัวแปรหนึ่งคือมีบุญคุณกับเรามากน้อยแค่ไหนใช่อย่างที่สองนี่ขณะค่าจิตเราอาคาดเพียงใดถูกต้องอย่างที่สามอะไรนะคะอย่างที่สามคือความความถี่ความบ่อยออของาการทำตรงนี้ข อ, อของการทำใช่ค่ะดังนั้นสมมตินะคะคนที่มีอาชีพขายสุนะัขไปให้เขาค่ารับประทานอาชีพนี้มันก็ทำสม่ำเสมอนะคะ อันนี้ถือว่าได้เข้าขายเรื่องความถี่นะคะใช่ถูกต้องแต่ไม่ได้ค่าเองนะคะท่านเข้าไปขายไม่ให้เขาค่าออาชีพพิธีค้ า, ะ ค, ะออ ค, าค้าสัตว์สัตว์มีชีวิตอย่างเงี้ยค้ามนุษย์ค้าสัตว์มีชีวิตพวกนี้เป็นอาชีพที่ไม่ควรทําอยู่ละแต่ยั ง, ย, งยังไม่เข้าขายของมิจฉาอาชีวะนะเดี๋คุณเจ้าก็เป็นแนะนําว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรทําอืมนะคะแหมดีนะที่ที่พระสงฆ์นี่รับประทานเนื้อมาเน <ะ S 1> ื้อสุนัขไม่ได้ไม่งั้นจะโดนโจทย์นะอืใช่อ๋อหรอคะเป็นหนึ่งในสิบเนื้อสิบอย่าง เป็นเป็นถูกต้องเป็นพระวินัยเป็นหนึ่งในเนื้อสิบอย่างที่ห้ามรับประทานอ๋อขอความรู้ได้ไหมคะว่านอกจากสุนัขแล้วอีก9อย่างก็จ ะ, ะจะมีเสือเหลืองเสือโครง่งเสือดาวใช่ไหม ช, ช้างนะแล้วก็งูนะึ่มนะีอุ้งอุ้งเท้าหมีก็รับประทานไม่ได้นะพระนะนะงูก็รับประทานไม่ได้พวกดีงูเอางูมาทําเป็นบะช่อแล้วก็ผัดเผ็ดนี่ก็รับประทานไม่ได้นะีพวกนี้ก็สัตว์ป่าที่ ประมาณนี้แหละรับประทานไม่ได้เลยท่านคะขอประทานโทษนะครับพอจะทราบเหตุผลไหมคะว่าทําไม อ, อ๋อตอนนั้นมีคนไปโจทย์ไงมีคนคไปโจทย์พระว่าทําไมรับประทานสิ่งพวกนี้พระรูชาก็เลยบัญญัติห้ามก็ตรงกับสิบสิบอย่างนี้พอดีอมีคนไปโจทย์ก็คือมีเหตุจากการที่มีคนไปโจทย์เท่านั้นแหละว่าเป็นการไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะพระรูชาก็เลยอนุญาตให้เขาให้พระนี่ไม่รับไปทานอ๋อคือหมายถึงว่า คนเขาก็มากล่าวหาว่าทําไมพระถึงไปรับประทานสุนัขร<ช>ับประทานเสือเหลืองเอ้ยฉ<ช>ันนะคะเลยได้เป็นปกินอากาศไปหมดเลยสําหรับวันนี้แต่ก็คงไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกุศลอกุศลที่เราควรทําและเราควรเว้นอยู่นั่นเองใช่ะคะเราไปยังได้ความรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระสนฉันอะไรบ้างวันนี้นมมสการขอบพระคุณท่านเพรบูญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเรีนผ่าน ท่านฝั่งที่ครบค่ะนี่คือรายการสัสรรษฐานนาดิ่ชันสันนิรฐานานะคะ่ะเราก็กราบเรียนถามท่านเพบู์ในหลากหลายเรื่องแต่ก็อยากจะให้เกี่ยวพันกับเรื่องในยุคสมัยจะได้ทำให้ท่านเนี่ยเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมันปรากฏอยู่ในทุกเวลานะคะไม่มีวันหยุดเราคงต้องลากไปใสั้นๆ แต่เพียงเั่านี้ก่อนไมัเคยมีแจกเงินเดิมนะคะพระธงกวาดที่เบิร์สถานีแล้วกันพรุ่นี้ติดตามแล้วฟังรายการสัสมม น, นาสนทนาสื่อสาระให้ท่านเข้าใจคำสอนของพระศ า, าสานาในผู้ทวัตจะนะจต่อนะคะวันนี้พูดวัตสวัสดีค่ะ